โชคดีคือกรรมดีผลิดผลโชคร้ายคือกรรมชั่วผลิดผลคำว่าโชคเป็นคำของคนที่ไม่รู้ว่าบุญเก่ามีจริงและบุญใหม่คือต่อยอดของเก่าโชคดีชวนให้นึกถึงความบังเอิญได้ดีแท้จริงคือกรรมดีผลิดผล โชคร้ายชวนให้นึกถึงความบังเอิญเกราะร้ายแท้จริงคือกรรมชั่วลผลผลกรรมหนักบางอย่างมีกำลังมากเช่นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายผู้มีพระคุณทำร้ายผู้ทรงคุณอาจผลผลทันตาในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแม้ไม่ปรากฏในรูปของเหตุการณ์ภายนอก ก็ปรากฏในรูปของความฟุ้งซ่านจัดควบคุมจิตใจไม่ได้ฝันร้ายตลอดความเป็นคนมีใจสงบทําจิตให้อยู่ในอํานาจได้ฝันดีเสมอหรือหลับสนิทเป็นสุขใจทั้งก่อนนอนและตอนตื่นก็จัดเป็นมาตรวัดได้อย่างหนึ่งว่าชาตินี้ไม่ได้ก่อบาปก่อกรรมจนเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมทางร้ายโชคดีอย่างแท้จริง คือจิตใจสงบสุขแม้ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้านโชคร้ายอย่างที่สุดคือใจคอไม่เคยเป็นสุขกับใครได้แม้ในสถานการณ์ปกติ